เมื่อวานนี้กล่าวถึงเรื่องของอาชีวะปาริสุที่ศีลกล่าวถึงพระภิกษุที่เพราะอาศัยอาชีพเป็นเหตุเนี่ยนะอาชีวะเป็นเหตุอาชีวะเป็นกรณะทำให้พระภิกษุเหล่านั้นมีความปรารถนาลามกคือปรารถนาเป็นบาปถูกความอยากครอบงำกล่าวอวดอ้างอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีอยู่ที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะว่าตัวเองนี่มีคุณธรรมเหล่านั้น ที่สูต น, นี้ก็เป็นอบัตฺป ร, ราชิก ค, คือขาดจากความเป็นพระภิกษุพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาว่าตามที่ยอดด้วนนนะไม่มีความงอกเงยฉันใดผู้ที่ต้องอบัตนี้แล้วถ้ายังอยู่ในเพศนี้จะไม่งอกเงยแต่ถ้าศึกษาลาเพศไปนะถ้าท่านไปเป็นสัมมณีน เ, นเนี่ยไม่ห้ามมรรคผลนิพพานอนนะไม่ห้ามมรรคผลนิพพานเพราะมีภิกษุกลุ่มหนึ่งเป็นอบัตฺป ร, ราชิกแล้วท่านก็ศึกไป ไปเป็นสัมมณเ น, นี่ยนะตอนหลังท่านก็เป็นร้นอนาคามีกันตอนหลังก็บรรุมรคผลได้เพียงแต่ว่าถ้ายังอยู่ในเพศนี้ไม่งอกเงยในกุศลธรรมชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยบริโภคปัจจัยสี่เหมือนขโมยคําว่างัง น, นั้นผู้ที่เป็นปาราชิกแล้วเขาบอกว่านับเป็นมิจฉาอาชีพที่ร้ายแรงที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้ ในหน้า7จสเจ็ดตอนนะกล่าวว่าบรรทัดที่สองลงมาว่าเพราะอาชีวะเป็นเหตุเพราะอาชีวะเป็นกรณะภิกษุถึงความเป็นพ่อสื่อต้องอาบัตสังฆาทิเศตเนี่ยนะภิกษุนี้สมัยก่อนเนี่ยเป็นพ่อสื่อมื่นกันนะอย่างนึกถึงพระอุทายีต้นบัญยัติเดิมเนี่ยนะ ทีนี้ความที่แกเนี่ยเป็นคนคุ้นเคยกับตระกูลแกเข้านอกออกในได้หลายบ้านมากอ่ะไปเจอลูกสาวบ้านนี้เอาติดต่อให้ลูกสาวบ้านนี้ไปมีผัวบ้านโน้นเห็นเด็กชายบ้านนี้ก็เหมาะสมเป็นบริษัทจัดคู่ไปเลยว่า ง, งั้นจัดให้คนโน้นเข้าไปหาคนนี้จัดให้คนนี้ไปหาคนนั้นตอนหลังเนี่ยไปจัดผิดคู่จัดผิดคู่ก็คือจัดลูกสาวของบ้านหนึ่งเนี่ยให้ไปแต่งงานอีกเมืองหนึ่งเขาก็แต่งยกไปดีอ่ะ แต่งดีแหละทีนี้พอเดือนที่สองผ่านไปเดือนแรกเนี่ยโหเอาไปเลี้ยงเป็นสะพายอย่างดีเดือนที่สองมาเอามาใช้ยอย่างทาตก็เกิดการโพนธนาแล้วคพอสื่อเนี่ยเสียหายมากป อ, องก็เลยบัญญัติ ส, สิกขาบทนี้ขึ้นว่าอันหนึ่งที่สุดใดเนี่ยนะถึงความเป็นผู้ชักสื่อบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดีบอกความประส ง, ง, งะค์ของชายแก่หญิงก็ดีในความเป็นเมียก็ตาม ในความเป็นชู้ก็ตามโดยที่สุดแม้กระยิงแพศยาอันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะเป็นสังขารทิเศเนั้นอบาสังขาธิเศตนีก็ต้องถ้าปกปิดไว้สิ้นเท่าไหร่ก็อยู่ปริวัติเท่านั้นแหละแล้วก็ประพฤติมานั้นหกราตรีอันน้เพราะฉะนั้นจะไปประกอบอ า, อาชีพแบบนี้ไม่ได้ก็บอกว่าพระอุทายีเจ้าตำรับเนี่ย ถ้าหากว่าไปจัดคู่ให้เขาดีไปเขาก็ยกย่องโอ้ยเรามีความสุขก็อยากให้พระคุณเจ้ามีความสุขคู่ไหนที่ผิดพลาดมาเนี่ยถูกด่าตลอดแหละนะเพราะฉะนั้นไออาชีพนี้พระองค์บอกว่ามิจฉาอาชีพของพระภิกษุเนี่ยนะต่อไปน ะ, ะศิขาบทต่อไปบอกว่าเพราะอาชีวะเป็นเหตุเพราะอาชีวะเป็นกรลนะภิกษุกล่าวว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเป็นพระารหันดังนี้ เมื่อคนอื่นเข้าใจต้องอบัตทุลใจแก้หน่อยนะหนังสือตรงนั้นนะไอ้อคำบอกว่ารู้ตัวอยู่ตัวนั้นเนี่ยแปลเปลี่ยนว่าเมื่อคนอื่นเข้าใจต้องอบัตทุลใจแก้เป็นว่าคนอื่นเข้าใจเมื่อคนอื่นเข้าใจต้องอบัตทุลใจเห็นไหมก็คือสมมุติว่าอย่างอันนะสมมตินะสมมติไม่ใช่จริงนะ อ่าอย่างเช่นมาอยู่กุฏิผู้ผู้การทานะอย่างเงี้ยเออนี่แหละมาก็มาถึงประเทศเลยใช่ไหมนี่แหละภิกษุอยู่ที่วิหารของท่านอะ่ะภิกษุรูปใดอยู่วิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเป็นผ้ารหารนะันนะนะเขาไปเล่าลักษณะเ น, นี่ยไม่ได้บอกตรงๆหรอกใช่ไหมอ้อมๆอย่างเงี้ยเป็นอับัตทุระใจแต่อย่าลืมว่าที่ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะปัญหาปากท้องนั่นแหละพูดเขาแล้วเขาจะได้เลื่อมใสายเขาจะได้เอาปัจจัยสีเป็นต้นไปถวายนั่นเองเห็นไหมหรือว่า ภิกษุรูปใดใช้จีวรของท่านนะภิกษุรูปนั้นเป็นผ้าละหันนะภิกษุรูปใดฉันอาหารบินทบาทของท่านนะภิกษุรูปนั้นเป็นผ้าละหันภิกษุรูปใดอยู่เสนาสนะของท่านภิกษุรูปนั้นเป็นผ้าละหันภิกษุรูปใดใช้ปัจจัยสนะหรือว่าบริโภคยาของท่านอ่ะภิกษุรูปนั้นเป็นผ้าละหันนะอ่าถ้าอวดในลักษณะนี้ต้องอบัติทุระใจถ้าเขาฟังเข้าใจ เขาเข้าใจทันทีเลยออกพระพูดประสงค์อย่างนี้นะถ้าเขาเข้าใจเป็นอ ბ ัตธุระใจถ้าไม่เข้าใจเป็นอ ბ ัตทุกกฎเนี่ยนะอันนี้ก็เพราะเรื่องอาชีพแท้ๆเลยนะหรือบางทีก็บอกว่าเออภิกษุรูปได้อยู่ในเสนาสนะของท่านเนี่ยในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นได้ปฐมฌานนะได้ทุติยะฌานได้ตติยะฌานได้จตุตฌานได้ นนะสุญญาตาวิโมกอปะ น, น, นิหิตเตาวิโมกอานิมิตเาวิโมกได้โสดาปฏิพล ส, สกาทาคาะมีผลอนาคามีผลอร ห, หัตผลเนี่ยการกล่าวอวดอย่างนี้เนี่ยนะถ้าพูดอ้อมๆอย่างนี้เป็นอบัติทุลใจเป็นอบัตอ้วนหยาบเขาว่ากั้นทุลใจนี้แปลว่าอ้วนหยาบบัตทุลใจเนี่ยน้ อ, นย อ, ยนนนองๆปาราชิกเป็นเบื้องต้นของปาราชิกไปใกล้ปาราชิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอบัตแบบนี้ต้องแล้วก็สแสดงคืนแสดงคืนได้ เนี่ยนะถ้าเบาวกว่านั้นครับถ้าเบาวกว่านี้ก็แสดงคืนทั้งหมดเลยปลงอบัตก็เรียกว่าปลงอบัตเบาวกว่านั้นเช่นบอกว่าพระอุสุยุกุตินั้นเนี่ยทรงธรรมทรงวินัย น, นะก็ถ้าหากว่าประสงค์จะอวดใช่ไหมประสงค์ลักษณะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามุ่งความหลอกลวงเป็นต้นเดี๋ยวจะ ก, กล่าวถึงข้างหน้าะนะก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอบัตตรงๆนะไม่ได้เป็นอบัตตรงๆในในยะนี้ แต่ก็เชื่อว่าอาชีพที่ได้มาด้วยการสรรเสริญคุณที่ไม่มีจริงเป็นต้นนี่ก็ไม่ดีละเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปข้างหน้าหรือว่าเพราะอาชีวะเป็นเหตุเพราะอาชีวะเป็นกรณะภิกษุไม่เป็นคนไข้คือไม่อาพาธแล้วนะขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชน์แก่ตนฉันต้องอาบัตปาจิตติเนคือพิสุรูปนั้นเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้อาพาธหรอก ไปขอโภชนาอันประณีตเช่นข้าวที่เช่นข้าวคลุกเนยเนี่ยนะไปขอข้าวคลุกเนยขอข้าวคลุกน้ําผึ้งเป็นต้นนะสมมตินะนะเขาเรียกว่าโภชนาปณะีตโภชนาประนีตก็คือข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อน้าผึ้งเนยใสเนยเนยใสเนยข้นเนี่ยนะถ้าหาว่ามีการขออาหารที่ผสมกันเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารประนีต อันนี้เป็นอบัตปาจิตินะขอคนที่ไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่ปวารณาเนี่ยนะขอไม่ได้ตบ <c oughs> บอกว่าอนาปฏิวาระ <c oughs> บอกว่าพิสุขขอกับญาติขอกับคนปวารณาหรืออาพาธไม่เป็นไรนะนะหรือว่าเพราะอาชีวะเป็นเหตุเพราะอาชีวะเป็นกรลนะภิกษุณีไม่เป็นคนไข้ขอโภชนะอันประณีเพื่อประโยชน์แก่ตนฉันต้องอบัติปาติเทศนิยะ เนี่ยนะเช่นภิกษุณีไปขอเนยไสมาฉันขอเนยใสล้วนๆเนี่ยนะภิกษุณีนั้นเป็นอบัตปาติเทสนิยะหรือขอน้ํามันขอน้ําผึ้งไปขอน้ําตาลขอปลาขอเนื้อขอนมสดขอนมส้มเนี่ยนะภิกษุณีรูปนั้นเนี่ยเรียกว่าต้องอบัตปาติเทสนิยะจะต้องทําคืนวิธีปรงอบัติของภิกษุณีเฉพาะปฏิเทศนิยะก็บอกว่ า, าแม่เจ้า ดิฉันต้องทําที่น้าติไม่เป็นสปายะไม่เป็นอันสบายควรจะสัตควรจะแสดงคืนดิฉันขอแสดงคืนทำนั้นถ้าเป็นพระภิกษุก็บอกว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าต้องทําที่น้าติไม่เป็นอันสบายควรจกแสดงคืนข้าพเจ้าแสดงคืนทำนั้นอันนี้เรียกว่าปรงอบัตแบบปาติเทศนิยะเั้นถ้าไปขอวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเป็นอบัตปาติเทศนิยะสําหรับภิกษุ ถ้าพิสุนีเป็นปฏิเทศนิยะถ้าเป็นพระภิกษุไปขอเนอยใสยล้วนๆขอน้ำมันล้วนๆขอน้ำอ้อยล้วนๆเนี่ยนะขอน้ำตาลเป็นต้นมันไม่ได้อาพาธอะไรกับคนที่ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นปวารณาเป็นอาบัติทุกข์กฏถ้าขอเฉยๆเนี่ยนะเป็นอาบัตทุกข์กนีการได้มานั้นอามาฉันนะก็นับว่าอาชีพไม่ดีแล้วทีนี้ต่อไปบอกว่า เพราะอาชีวะเป็นเหตุเพราะอาชีวะเป็นกัลยณะภิกษุไม่เป็นไข้เนี่ยนะไม่อาภาษเนี่ยขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนฉันต้องอาบัติทุกข์จะไม่ฉันฉันไปเนี่ยข้าวไม่พออ้าโยอมขอข้าวหน่อยอันนี้เขาเขาไม่ได้ปวารณาไวนะ้ น, นะอนะกําลังฉันฉันไปอา้าวแกงหมดโยมขอแกงหน่อยขอข้าวเพิ่มอีกหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เป็นอาบัติเป็นอาบาัติาา ท, ทุกข์เห็นไหม พ่อแม่อเขาจะบอกว่าเขาถึงว่าภาพพ่อแม่สมัยก่อนเขาห้ามไม่ให้ลูกบวชเดอรุ่งเลยอย่าไปบวชเลยเคาว่าเวลาบวชเข้าไปแล้วเนี่ยนะอยากได้เย็นเขาก็ให้ร้อนอยากได้ร้อนเขาก็ให้เย็นคำว่างั้นจืดก็ไม่มีอะไรมาเพิ่มให้เค็มหรอกคำว่างั้น ว่อย่าบวชเลย อ, อยู่บ้านทําบุญนี่แหลนะพอแม่สมัยก่อนนะ่ะนะเขาไม่อยากให้ลูกก็บวชก็จะบอกแบบนั้นนะ่ะแต่ก็เห็นอั น, นิี้สองนะ่ะนะเพราะว่าที่บวชก็เพราะเห็นประโยชน์นเหมือนกนเถอะการบวชนี่มีประโยชน์ประโยชน์คืออะไรประโยชน์ก็คือจะได้บําเพ็ญกิจในอริยสัตว์ให้บริบูรณ์ไงพระพิสูจน์นี่เมื่อบวชเข้ามาแล้วจะได้บําเพ็ญกิจของอริยสัตว์ให้บริบูรณ์ได้เดนะสมณะกิจนี่นะก็คือกิจในการ ทำปริญญาสามในทุกอาชีพศิษ์กิจคือการละสมุ ท, ทยัยกิจเพื่อทํานิโรธให้แจ้งแล้วก็กิจเพื่อเจริญอริยมรรคให้บริบูรณ์อย่างที่เรากําลังศึกษาเรื่องศรรีลก็คือศึกษาเพื่อให้เข้าใจเรื่องของอริยมรรคนั่นเองเนี่ยกลังศึกษากิจของอริยมรรคว่าอริยมรรคเนี่ยอาศัยกุศลธรรมเหล่าใดเป็นต้นรองรับ <c oughs> เพราะฉะนั้นโภชนะที่ได้มา โดยการก้าวล่วงสิกขาบทหสิกขาบทเหล่านี้เนี่ยนะเป็นวัตถุแห่งอาบัตทั้ง6สิกขาบท เ, าเมื่ออาบัตทั้งหลายเหล่านี้ที่พระภิกษุเป็นแล้วเนี่ยนะเพราะอาศัยอาชีพถ้าเป็นอาบัตเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นที่มาเกี่ยวข้องเป็นบริวารของอาบัตชนิดนี้อีกหลายหลายสิกขาบทด้วยกันเนี่ยนะหลายข้ออันนี้เฉพาะบัญญัติตรงๆเลย น, นะที่เกี่ยวกับสิกขาบทเหล่านี้โดยอ้อม อันนี้มีอีกเยอะเนี่ยนะเกี่ยวพันกับเรื่องมีแหละปากทองนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องปากทองเนี่ยพระองค์จึงแสดงไอ้ปุตตะมังสาสูตรเนี่ยเพื่อให้สลดใจสังเวทใจว่าเวลาจะบริโภคปัจจัยนี่นะควรที่จะไข่ครวนเหมือนกับบริโภคเนื้อบุดเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็อุปมากล่าวถึงเนื้อบุตรไว้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่ามีความสําคัญแล้วถ้าหากว่าบุคคลมีการพิจารณาอาหารในขณะบริโภค สักอย่างเดียวเนี่ยนะที่จะไปทําบาปทํากรรมอย่างอื่นซึ่งเป็นบริวารของอาหารก็ไม่มากนะักเพราะว่าคนทุกวันส่วนหนึ่งที่ทําบาปก็เพราะปากท้องนั่นเองนะเพราะปากท้องนั่นแหละทําให้กาะกรรมทําชั่วมากมายมหาศาลถ้าผู้ใดเห็นโทษของกรรมเห็นโทษของบาปประทำแล้วก็เกิดการสังวรสํารวมระวัง น, นะศึกษาธรรมปริญญาสามในเรื่องของอาหารให้เพียบพร้อมบริบูรณ์เขาก็พ้นจากทุกได้เหมือนกัน ที่จริงแล้วที่ใดเนี่ยนะก่อให้เกิดบาปประธรรมมากที่สุดที่นั่นก็ก่อเกิดก่อให้เกิดการรู้ธรรมได้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมีปัญญาเข้าไปไข้ควรนะเพราะว่าในอารมณ์อารมณ์เดียวนี้เป็นอารมณ์ของสมุทัยสัตว์ก็ได้เป็นอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อการละสมุทัยสัตว์ก็ได้นะเพราะว่าในอารมณ์เหล่านั้นเขาเรียกว่าปยรูปสาตรูปอารมณ์เป็นที่รักเป็นที่พอใจ อันบุคคลที่จะละกิเลสละตัณหาก็ละจากการพิจารณาอารมณ์นั้นแหละเแต่ในเบื้องต้นว่าในแต่ละอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตในลักษณะของปัจจัย4เนี่ยนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4อย่างนี้เขาเรียกว่าเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยนะสิ่งที่ได้มาด้วยอำนาจของปัจจัย4เนี่ยนะทีนี้ต่อไปว่า ในบททั้งหลายบทว่ากูหนามีเนื้อความพระบาลีดังต่อไปนี้เห็นคือกูหนาที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมในหน้าห้าบี่ที่เคยกล่าวไปแล้วที่กล่าวถึงพวกธรรมะทั้งหลายมีกุหนาละปนาเนมิตกานิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิชิกิงสนตาเ คำนี้เป็นถ้อยคำที่ท่านยกมาขยายส่วนคำว่าบาปประทำทั้งหลายยังไม่ขยายคำว่าบาปประทำนั้นแค่ไหนแต่จะยกข้อความที่เกี่ยวกับกุหนาเป็นต้นมาก่อนในบททั้งหลายเป็นต้นว่ากุหนมามีเนื้อความดังพระบาลีต่อไปนี้ถามว่าในบรรดาบาปประทำเหล่านั้นกุหนาะกุหนาก็คือการหลอกลวงเป็นฉนัน ตอบว่าการแซงทําหน้าสยิวการแซงทําหน้าเบ้การหลอกลวงการประพฤติหลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงด้วยการลวงกล่าวคือวิธีลวงของพระเนี่ยนะลวงสามอย่างจําวิธีลวงไว้เอาไว้ศึกษาเขาว่ากันวิธีถ้าพระพิสูจ์ท่านลวงท่านจะลวงสามอย่างเนี่ยนะหนึ่งนะการซ่องเสพปัจจัยก็ดีเนี่ยแปลว่าหนึ่งหนึ่งการซ่องเสพปัจจัย 2. ด้วยการพูดเรียบเคียงนะหรือสหรือการตั้งท่าการวางท่าการแต่งอิริยาบถให้เรียบร้อยเนี่ยนะสลักษณะเนี่ยนะวิธีหลอกลวง3ลักษณะเนี่ยหการซ่องเสพปัจจัย2ด้วยการพูดเรียบเคียง 3. การตั้งท่าการวางท่าการแต่งอิริยาบถให้เรียบร้อยแห่งที่สุผู้มุ่งลาบสการะ และความมีชื่อเสียงมีความปรารถนาลามกถูกความอยากคือตันหานิครอบงำอย่างนี้เขาเรียกว่ากูหนาะนซึ่งจะอธิบายละเอียดต่อไปในเปิดไปหน้าแปดสิบเ็ดเลยนะในข้อส7บเจ็ดนะอธิบายจะยกจากข้อความเมื่อกี้เนี่ยมาอธิบายหน้าสิบเจ็ดพวกเราถ้าอ่านตามลำดับเดี๋ยวลืมหมดหน้าแปดสิบเอ็ดนะข้อสิบเจ็ดกล่าวว่าก็ความหมายแห่งพระบาลีนี้เพิ่งทราบ โดยประการดังต่อไปนี้คือข้อความเมื่อกี้เนี่ยเป็นพุทธพจน์เลยนะข้อความเมื่อกี้เนี่ยที่ยกไปอ่านเมื่อกี้เนี่ยส่วนที่ขยายในหน้าแปสิบนี้ก็ขยายตามแนวพุทธพจน์เหมือนกันบอกว่ากูหานานิเทศก่อนคําว่าผู้มุ่งลาบสการะก็คือลาบเนี่ยเป็นชื่อของจีวอนบินทบาทเสนาสนะหยกยาเป็นต้นเนี่ยนะสการะก็คือ ต้องการให้เขาให้จีวนเป็นต้นด้วยความเคารพอ่ะแล้วก็สารเสริญก็คือปรารถนาชื่อเสียงเป็นต้นอ่ามีความหมายว่าผู้อาศัยอาศัยเป็นชื่อของตัญหานะผู้อาศัยคือตันหานคือปรารถนาซึ่งลาบคือปัจจัยสสการะกิติศัพท์คือชื่อเสียงคําว่ามีความปรารถนาลามกปาปิดฉัดรสติเนี่ยนะปาปิด สาติเนี่ยปาปิชาสะเขาเรียกว่าปร า, ารถนาลามกบาปนั่นเองปาถนาบาปนะ่ยบาปเนี่ยแปลว่าลามกกะเขาบอกว่าคําว่าปร า, ารถนาลามกก็คือมีความใคร่จะแสดงคุณอันไม่มีอยู่จริงๆแล้วคุณธรรมอันนั้นไม่มีหรอกแต่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่ามีคุณธรรมอันนั้นเขาบอกว่าเป็นผู้ปรารถนาเพื่อให้เขายกย่องในเมื่อคุณ มีศรัทธาเป็นต้นไม่มีอยู่ตัวเองเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริโอตะปะไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่มีสักอย่างหรอกแต่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเนี่ยคุณธรรมนั้นฉันมีนะอันนี้เขาเรียกว่าปรารถนาลามกคือคุณเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในตนแท้จริงความปรารถนาลามกเนี่ยมีลักษณะยกย่องคุณที่ไม่มีอยู่เนี่ยนะคือลักษณะของเขาเนี่ยนะ คุณธรรมันั้นไม่มีหรอกแต่ว่าอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันมีและไม่รู้จักประมาณในการรับผู้ที่เขาถวายมากๆแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการรับอันนี้ก็ชื่อว่าปาธนาลามกเหมือนกั น, น, น, นคําว่าถูกความอยากครอบงมคือถูกความอยากทำให้ปราดไปความว่าถูกความอยากเนี่ยประทุสร้ายถูกความอยากทำลายเอา เขาบอกว่าถูกความอยากครอบงำก็คือเพราะอัรรมว่าอันความปรารถนาลามกกระทําให้ปราศจากสัมมาอาชีพนะนะเลยทิ้งสัมมาอาชีพเลยนะเพราะเห็นเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องยอมทําบาปทํากรรมนะถ้าหากว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วถามว่าจะใกล้ต่อความบริสุทธิ์ไหมก็ไกลแล้วนะไกลาจากวิสุทธิมรักษนิยะตรงกันข้ามก็เป็นความหมักมมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุที่กู h a วัตถุ3อย่างมาแล้วในคัมภีมหานิเทศนะคำว่ากู h a n วัตถุก็คือความหลอกลวงเป็นวัตถุแห่งความเกิดขึ้นของปัจจัยเนี่ยนะไอวะ้ว่าถ้าหลอกลวงแบบนี้เนี่ยนะปัจจัย4หาไม่ยากนะถ้าใครคิดจะหลอกลวงก็ใช้วิธี3วิธีนี้รับรองได้ผลจริงๆ3อย่างก็คือเกี่ยวกับการซ่องเสพปัจจัยหนึ่งการพูดเรียบเคียงหนึ่งแล้วก็อาการอาศัยอิริยาบถ